ดับที่สีเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2553โดยพระครูธรรมทอนคันชิตคุณวรโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมขอเจอริญพร สำหรับในวันนี้เลดเป็นนิดหนึ่งพอดีว่าอาตมาลงมาชา ด, ด้วยนะวันนี้เราจะได้มาคุยกันต่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะก่อนที่อาตมาจะได้ไปพมา่าก็ได้ให้โยมฝึกนะไม่ทราบว่าได้ทำการบ้านกันมาหรือเปล่าเอ่ยมีใครออาการบ้านมาส่งบ้าง <c oughs> มีนะ หวังว่าคงจะได้ทำกันทุกคนนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรามานั่งทบทวนเราจะได้นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำในแต่ละวันแต่ละวันทุกครั้งที่เรานึกถึงนะทุกครั้งที่เราคิดถึงหรือทุกครั้งที่เราเขียนนั่นแหละเป็นการทำบุญ ท, ทุกครั้งเลยเวลาเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามใจเราก็ผ่องใสดีงามรู้สึกอิ่มเอิรรู้สึกภูมิใจรู้สึกมีความสุขนั่นแหละบุญกุศเกิดขึ้นแล้วเป็นจิตตะภาวนาอย่างหนึ่ง อย่างที่เราเรียกว่าอนุสตินั่นเองอย่างที่เรียกว่าอนุสติวันนี้จะมาคุยกันต่อก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตในฝ่ายที่ดีงามเอาความดีงามมาเป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งวันนี้โยมที่มาใหม่ก็ได้ฝึกกันแล้วส่วนโยมที่มาเก่าวนั้นได้ฝึกกันมานานแล้วบางคนหลายรอบแล้วนะก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกจิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน การฝึกจิตในหมวดนี้จะได้ทั้งคุณภาพคือคุณธรรมความดีงามแล้วก็ได้ทั้งสมรรถภาพจิตได้ไปถึงสมรรถภาพจิตขั้นสูงเลยนะก็คือเป็นสมาธิในขั้นที่สูงเลยนะการฝึกอย่างนี้ในภา ษ, าษาธรรมะเราเรียกว่าการฝึกอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าแผ่ออกไปไม่มีประมาณคนะาว่าอัปปมัญญาแปลว่าแผ่ออกไปไม่มีประมาณ เราจะแผ่อะไรออกไปไม่มีประมาณก็คือแผ่พรหมวิหารนั่นเองพรหมวิหารคืออะไรพรหมคือผู้ประเสริฐผู้ที่เป็นใหญ่วิหารหมายถึงอะไรเอ่ยที่อาศัยที่อาศัยที่อยู่เพราะฉะนั้นพรหมวิหารจึงหมายถึงที่อาศัยหรือที่อยู่สิ่งที่อยู่มีอยู่ในใจของผู้ที่เป็นใหญ่หรือของผู้ที่เป็นพรหม เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่ผู้ที่เป็นพรหมพึงมีพรหมวิหารสีนะี้อยู่ในใจตลอดเวลาพรหมวิหารสีได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามุทิตาสอุเบกขาการฝึกในขั้นนี้เราจะเอาภาวะเหล่านี้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานซึ่งภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่ดีงามทั้งสิ้น เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีงามในจิตใจทั้งสิน้นโดยการตั้งใจเอาสตินึกหรือระลึกถึงภาวะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็แผ่ภาวะชิ้นนี้ออกไปแผ่ออกไปให้ทั่วไม่มีประมาณแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไม่มีประมาณอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นแต่ขั้นตอนการฝึกจะมีเยอะกว่านี้ในรุ่นนี้จะสอนให้ทั้งสี่อย่างเลย รุ่นที่ผ่านๆมาก่อนๆหน้านี้สอนแต่เมตตายอย่างเดียวแต่ในรุ่นนี้เดี๋ยวจะสอนให้ทั้งสอย่างเลยอาศัยเวลาสักนิดหนึ่งแต่คิดว่ามันช่วยกล่อมคราวจิตใจของคนได้ดีมากโดยเฉพาะผู้คนในยุคนี้ซึ่งจิตใจของเรามักจะอยู่กับความแคง้งความโกรธเคืองความรุษยาหรือความเศร้าโศกเสียใจเสียมากเวลาผิดหวังก็เศร้าโศกเสียใจทําอะไรไม่ได้เนี่ยต้องแก้ด้วยกรุณา เวลาเห็นคนอื่นได้ดีก็เลสยาอิจฉาขัดเคืองต้องแก้ด้วยโมทิตานะอยู่ในภาวะปกติมีอะไรเข้ามา ก, กระทบโกระต้องแก้ด้วยเมตตาอาการที่จิตใจเรากระทบกระท่างไปกับคนอื่นๆเสมอเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้ต้องแก้ด้วยอุเบกขาความวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายสีอย่างนี้ใช้ได้ตลอดเวลาเลย สี่อย่างนี้สี่อย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าพรหมวิหารสี่นั่นเองแั้นในการสอนอาตมาจะสอนทั้งสี่อย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจะยาวนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นฝ่ายของสมถะกรรมฐานแต่ก็จะยาวนิดหนึ่งแต่โยมฝึกเอาไว้จะดีสําหรับตัวโยมเองนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ดีมีสุขอยู่ในภาวะปกติสิ่งที่โยมพึงทาคือ แผ่เมตตาให้มากๆตั้งใจปรารถนาดีกับทุกๆคนถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่เรารักประสบกับความทุกข์ตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่กระทั่งล้มนอนมอนเสือหรือสีชีวิตแทนที่จะไปนั่งสงสารร้องห h มร้องไห้แบบนั้นเปลี่ยนใหม่ซะให้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกมีกรุณาแผ่ไปให้เขา การุณาไม่ใช่เศร้าโศกเสียใจนะการุณานี่เป็นภาวะที่เป็นสุขนะถ้าการุณาเกิดขึ้นเนี่ยนะคือปรารถนาดีตั้งใจให้เขาพ้นจากความทุกข์นะอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกขนะ์อันนี้คือการุณาเนะมตตาคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดละมันการุณาในที่นี้ยมลองสังเกตนะปะกติแล้วคนทั่วไปนะโดยเฉพาะเวลาที่อาตมาไปสอน คนที่เป็นพยาบาลนะมักจะเกิดปัญหานี้เห็นคนไข้ที่รักษาอยู่นั้นอาการสุดหนักลงหรือเสียชีวิตโอ้โหคนนี้แล้วก็ร้องหม่มร้องไห้เลยนะกลายเป็นเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นไม่ใช่การุณานะความรู้สึกสงสารอย่างนั้นเราเรียกว่าโทมนัสเป็นฝ่ายอกุศลจัดอยู่ในฝ่ายของพวกโทสะเช่นเดียวกันโทมนัสเนี่ยเศร้าโศกเสียใจ อย่าไปรู้สึกอย่างนั้นสิ่งที่ย่อมควรทำคือตั้งใจปรารถนาดีกับเขาเอาลนะแม้เขาจะจากไปก็ขอให้เขามีความสุขในภพภูมิของเขานะหรือเรามีอะไรพอจะช่วยเขาได้เราอยากช่วยเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแทนที่จะปล่อยจิตใจให้เกิดโทมนัสให้ยอมตั้งใจเออเราช่วยอะไรเขาได้บ้างตรงนี้เราช่วยได้นะทีนะเราจะได้ช่วยเขา ในขณะที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขายมรู้สึกยังไงเรารู้สึกมีความสุขนะมันไม่ใช่โทมานัศสศกเศร้าโศกเสียใจยช่วยเขาได้มากหรือได้น้อยไม่เป็นไรตั้งใจไว้อย่างนี้เอาลนะเราจะได้ช่วยเขานะเราจะได้ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างน้อยพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจยหรืออย่างน้อยพ้นจากความทุกข์ชั่วขณะแค่นี้ก็ยางดีดีนะ้กเราต้องช่วยเขา ความรู้สึกอย่างนี้มันจะเป็นความสุขเนะี่ยใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกรุณาน้นที่แท้จริงเวลาเกิดขึ้นโยไม่มานั่งทุกข์กรอกไม่เศร้าโศกเสียใจหรอกกลับรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขหรือเวลาเห็นเพื่อนสอบตกเพื่อนต้องสอบซ่อมเออไม่ได้นะโอเพื่อนคนนี้อ่าเขาอาจจะพลาดเขาสอบตกจะต้องสอบซ่อมดีนะเราจะได้ช่วยเหลือเขานะเรารู้ วิชานี้ได้ดี เ, เรามีเทคนิคการติวนะเรามีชัดโน้ตดีแล้วนะเอาไปช่วยเพื่อนหน่อยเวลาเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราจะช่วยเขาได้นะหรือเราจะได้ช่วยเขาแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยเขาได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นยมรู้สึกยังไงอย่างรากรณีนี้ที่อาตมายกเรื่องของเพื่อนสอบตกเนี่ยรู้สึกยังไงเลยแค่นึกขึ้นมาเราจะรู้สึกดีล้วใช่ไหมรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนั่นแหละอาการอย่างนั้นคือกาฤนา เข้าใจนะเจดีย์พรอนเดี๋ยวค่อยประกาศถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ให้จบก่อนนะเพราื่องการรุณาตรงส่วนนี้จะเป็นเรื่องของภาวะที่เรารู้สึกดีที่เราจะได้ช่วยเขาไม่ใช่ภาวะที่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่เขาตกทุกข์ได้ยากเข้าใจนะคนรักเรื่องกันเลยนะภาษาไทยบางทีใช้แล้วแยกไม่ออก สมัยปัจจุบันนี้เราบอกกรุณากรุณาแต่กลายเป็นเรื่องของตัวโทมนัสเสียเป็นส่วนใหญ่ยิ่งคนที่เรารักตกทุกข์ได้ยากเนี่ยส่วนใหญ่จะตกกระทมนัสแต่ไม่ได้นึกว่าเออเราจะได้ช่วยเขายังไงเราไม่ได้นึกอย่างนั้นเราไม่ได้นึกภูมิใจว่าเราจะได้ช่วยเขาเราไม่ได้รู้สึกดีว่าเราจะได้ช่วยเขาดังนั้นความกรุณานั้นจึงหมายถึงความรู้สึกดีที่เราจะได้ช่วยเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วเรารู้สึก เอ้ไม่ได้เราต้องหาทางช่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ช่วยเขาอาการอย่างนี้จะเป็นกัลวนาเข้าใจนะอาการอย่างที่สามเราเรียกว่ามุทิตามุทิตาคืออาการเบิกบานยินดีเวลาเขาประสบความสําเร็จอย่างเช่นพ่อแม่ รูปสอบข้ามหาวิทยาลัยคณะที่ลูกหวังได้เป็นยังไงเอ่ยรู้สึกภูมิใจดีใจไปกับเขานั่นแหละอาการอย่างนั้นคือมุทิตาหรือเวลาเพื่อนของเราประสบความสําเร็จแล้วก็จะดีใจไปกับเขาอาการอย่างนั้นคือมุทิตาประการที่สี่อุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายคือเห็นแล้วโอ้เป็นธรรมดาธรรมชาติสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมแบบนี้ แต่ลคนก็ย่อมพบกับความสุขความทุกข์ก็มากระทบแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ใจเราไม่ถูกกระทบแต่เห็นแล้วเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นจิตใจเรากลักบปลอดโปร่งพ่องใสตั้งมั่นได้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นเอารอเวลาสักทีนหนึ่งได้โดยที่ไม่รู้สึกร้อนรนกระวนกระวาย อาการอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเพั้นอุเบกขานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาคิดรู้ว่าตอนนั้นควรทําอะไรควรวางเฉยเราสามารถวางเฉยปล่อยเฉยดูเขาได้แต่เฉยด้วยความรู้นะไม่ใช่เฉยด้วยความไม่รู้สี่อย่างนี้คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจแล้วก็แผ่ออกไปไม่มีประมาทเข้าใจนะเมตตากรุณาโมทิตาเป็นด้านของความรู้สึก เป็นด้านของความรู้สึกหรืออาจจะเรียกด้านของอารมณ์ก็ได้แต่อุเบกานั้นเป็นด้านของความรู้ความเข้าใจสองอย่างนี้ต้องให้สมดุลกันรายละเอียดดี๋ยวจะกล่าวถึงอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้แล้วก็การฝึกแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะวันนี้จะให้โยมฝึกให้มากขึ้นด้วยการเดี๋ยวจะให้โยมตั้งจิตแผ่เมตตาแต่คราวนี้ไม่ใช่อยู่เพียงแค่แผ่เมตตาแค่นั่งนิ่งๆแนละ แต่จะให้แผ่เมตตาแล้วก็แสดงออกด้วยแลวจะเป็นการบ้านให้โยมกลับไปทำด้วยนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรานั่งนิ่งๆไม่ใช่โนะยมต้องทำได้ในทุกขณะเจอหน้าผู้อื่นโยมสามารถแผ่เมตตาให้กับเขาได้นะเพราะฉะนั้นเราจะแปลงจากนา ม, มาทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการพูดและการกระทำ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างนา ม, มาทําคือภาวาจิตเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนนะอ้าวดังนั้นขอให้โยมนั่งแผ่เมตตาพร้อมกันนะโยมที่มาใหม่ได้ฝึกแผ่เมตตาไปแล้วทบทวนเลยตอนนี้แหละโยมที่มาก่าวนะได้ฝึกกันอยู่แล้วนะขอให้เริ่มต้นจากแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนะให้โยมสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเยียวยาแบบสบายๆหายใจเข้าเบิกบานมีความสุขหายใจออกเบิกบานมีความสุขให้รู้สึกถึงความสุขความเบิกบานในใจของโยมไว้ คราวนี้ปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งใจไว้เรามีความสุขนะให้รู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจของโยมไว้ให้โยมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขรู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจ ตั้งใจไว้เรามีความสุขนะเรามีความสุขนะเรามีความสุขนะ ยิ้มออกมาด้วยนะยิ้มอย่างมีความสุขรู้สึกถึงความสุขความสวยงานในจิตใจของเราไว้เรามีความสุขนะเรามีความสุขนะเรามีความสุขนะ คงนี้ยงมแผ่ความสุขความดีงามออกไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณตลอดจนบุคคลที่ยมรักทุกๆคนตั้งใจไว้ทุกๆคนที่เรารักมีความสุขนะทุกๆคนที่เป็นที่รักมีความสุขนะทุกๆคน ที่เป็นที่รักมีความสุขนะให้ยมยิ้มออกมาด้วยนะยิ้มของเราเหมือนรอยยิ้มของคนที่เรารักทุกๆคนนั่นเองรู้สึกถึงทุกๆคนจิตใจกำลังเปิกบานผ่องใสทุกๆคนที่เรารักกำลังยิ้มยังมีความสุขเหมือนรอยยิ้มของเราในตอนนี้ ให้รู้สึกถึงความสุขความดีงามกำลังเอิบ า, าอยู่ในใจของเขาเอิบ า, าอยู่ทั่วร่างกายของทุกๆคนที่เรารักยิ้มอย่างมีความสุขตั้งใจไว้ทุกๆคนที่เป็นที่รักมีความสุขนะทุกๆคนที่เป็นที่รัก มีความสุขนาทุกๆคนที่เรารักมีความสุขนา สึกความดีงามมันแสงสว่างให้โยมแผ่ความสุขความดีงามออกไปให้กับทุกๆคนรู้สึกถึงนจิตใจของทุทกๆคนกำลังเปิดบานผ่องใสมีความสุขทุกๆคนกำลังยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนรอยยิ้มของโยมในตอนนี้ตั้งใจไว้ ทุ ก, ท, กทุกคนมีความสุขนะทุกทุกคนมีความสุขนะทุกทุกคนมีความสุขนะ ความสุขความดีงามเหมือนแสงสว่างให้โยมแผ่เมตตาแผ่ความสุขความดีงามออกไปให้กับเทวดามารพรมทั้งหลายรู้สึกถึงจิตใจของเทวดามารพรมทั้งหลายกําลังพองสายยิ่มเบือเบิกบานเหมือนใจของโยมในตอนนี้เทวดามารพรมทั้งหลายกําลังยิ้มอย่างมีความสุข เป็นรอยยิ้มของโยมในตอนนี้ตั้งใจไว้เทวดามารพรหมทั้งหลายมีความสุขนาเทวดามารพรหมทั้งหลายมีความสุขนาเทวดามารพรหมทั้งหลายมีความสุขนา ความสุขความดีงามเหมือนแสงสว่างให้โยมแผ่ความสุขความดีงามออกไปให้กับสัพพสัตทั้งหลายรู้สึกถึงจิตใจของสัพพสัตทั้งหลายกำลังผ่องใสเบิกบานมีความสุขสัพพสัตทั้งหลายกำลังยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนรอยยิ้มของโยมในตอนนี้ตั้งใจไว้ สัพพสัตทั้งหลายมีความสุขนาสัรพสัตทั้งหลายในทุกพภูมิมีความสุขนาสัรพสัตทั้งหลายในทุกภพภูมิมีความสุขนา รักษาความสุขความสงบในใจไว้ตั้งใจแผ่เมตตาไว้อย่างนั้นนะอาะ้าแล้วให้รักษาภาวะแผ่เมตตาไว้อย่างนั้นคราวนี้โยมลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ใ น, นขั้นตอนของการปฏิบัติจริงละอ้าลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นลืมตาคราวนี้ลุกขึ้นก็ให้โยมเดินไปจับคู่กัน ถ้าพ่อแม่กับลูกมาด้วยกันจับคู่กันพ่อแม่ลูกถ้าเพื่อนมาด้วยกันจับพูกคู่กับเพื่อนรักนะถ้าไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่หรือหรือว่าถ้าสามีภรรยามาด้วยกันจับคู่กันระหว่างสามีกับภรรยาก็ได้แต่นอกนั้นขอให้จับคู่กันระหว่างผู้ชายกับผู้ชายและผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้น ให้จับคู่กันระหว่างผู้ชายกับผู้ชายและผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นนะยกเว้นไว้ว่าเป็นพ่อแม่ลูกเป็นสามีภรรยานะเป็นเพื่อนนี่ก็ต้องเป็นผู้ชายกับผู้ชายและผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นนะเจอใครก็จับคู่ได้เลยนะเรารู้จักกันตอนนี้ก็ได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นเพื่อนๆ น, นกันนะเอาจับคู่กันนะจะเด็นพอ อ่าวช้าๆนะใครขาชาก็ไม่ต้องรีบนะนั่งคุกเข่าก่อนนั่งคุกเข่าก่อนอ่าวขออภยัยของโยมทุกท่านลุกขึ้นได้เลยนะ <c oughs> พอดีมีทิศกำลังขาชาอยู่ลุกขึ้นได้เลยลุกขึ้นได้เลยนะลุกขึ้นได้เลยนะาจับกู้กันได้เลยอของโยมตรงนี้ก็ได้นะเดินมาตรงนี้เลยเดินมาตรงนี้เลย จับคู่กันเลยนะจับคู่กันคราวนี้จับคู่กันแล้วหลับตาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จับมือกันไว้คู่ใครคู่มันนนะคู่ใครคู่มันหลับตานะหลับตานะหลับตาคราวนี้จะใหะนะ้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับเขาละนะเาตั้งจิตแผ่เมตตาเมื่อกี้อย่างที่เรารู้สึกรู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจของเราแผ่ออกไปให้กับเขานะแผ่ออกไปให้กับเ้า อ้าก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะแผ่ไปให้กับเขาเผื่อไม่รู้จักกันถามชื่อกันก่อนอ้ชื่ออะไร <c oughs> จะแผ่ไปให้ยังไมู่เดหลือมันรู้จักกันนะ <c oughs> ชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้นะชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้รู้จักแล้วนะอ้าวและรู้จักกันแล้วครวนี้อ่คาครานี้ตั้งจิตให้สงบนะตั้งใจแผ่เมตตารู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจของเราแผ่ออกไปให้กับคนที่อยู่ตรงข้างอย่างที่เราฝึกเมื่อกี้ หับตานะะฉะนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขาให้เรารู้สึกว่าเขากําลังยิ้มอย่างมีความสุขด้วยโยมอย่าลืมยิ้มออกมาด้วยนะยิ้มอย่างมีความสุขแลนะรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเราเขากําลังยิ้มอย่างมีความสุขอย่างที่เรายิ้มจิตใจของเขากําลังผ่องใสเปิดบานมีความสุขเหมือนอย่างที่เรากําลังรู้สึกเช่นเดียวกัน ตั้งใจแผ่ไม่ตานะขอให้เธอมีความสุขนะขอให้เธอมีความสุขนะเธอมีความสุขนะให้รู้สึกถึงความสุขความดีงามแผ่ออกไปให้กับเขาผ่านมือทั้งสองของเราแผ่ไปยังใจของเขา รู้สึกถึงความผ่องใสความสุขความดีงามในใจของโยมแผ่ไปให้กับเขารู้สึกถึงใจของเขากำลังผ่องใสอิมอ่มเอเบิกบานเหมือนใจของโยมรู้สึกว่าเขากำลังยิม้มอย่างมีความสุขเหมือนรอยยิ้มของโยมในตอนนี้ะฉะนันให้โยมยิ้มออกมาด้วยรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเรากำลังยิม้มอย่างมีความสุข รักษาใจที่เบิกบานท่องายมีความสุขนิไวนะคราวนี้จับพืงมันจะห่างไปความสุขจะถ่ายทอดจากใจถึงใจได้ไม่มากนะขอให้โยมดึงเข้าเข้ามากอดเลยอ่าตอนนี้เลยดึงเข้าเข้ามากอดอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยกอดให้แน่นๆเลยนะ จากนั้นแผ่เมตตาให้กับเขานะรู้สึกถึงจ้ความสุขความดีงามในใจของเราแผ่ให้กับเขานะแผ่ให้กับเขาในเพื่อให้ออกมาเป็นเรื่องของทั้งการกระทำและการพูดขอให้โยมพูดขอบคุณเขาในเรื่องใดก็ได้ที่เราพอจะได้กลอกแล้วก็พูดให้พรเขาด้วยความปรารถนาดีกับเขาให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาประสบความดีงามหรือยังไงก็แล้วแต่โยมให้ออกมาจากใจโยม ด, ด้วยจิตเมตตาของโยมนะเอาวล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะยังไม่เลิกกอด น, นะกอดันก่อนอน้อาวบอกเขาด้วยนะขอบคุณเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณที่เจอกันขอบคุณที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็อวยพรให้กับเขาด้วยนะอวยพรให้เขาด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจจริงๆนะยังไม่ต้องเลิกกอด น, นะ น, นึกอะไรได้ที่เราอยากจะขอบคุณเขาพูดต่ อ, อไปให้หมดเลยนะ ตั้งใจปรารถนาดีกับเขาอย่างแท้จริงนะอา้าวยังไม่เลิกกอดนโยมนะอา้าวถ่ายทอดออกไปให้หมดออกให้เป็นการพูดและการกระทาและออกจากใจเราจริงจริงอา้าวอย่าลืมขอบคุณเขาแล้วก็ตั้งใจปรารถนาดีกับเขาด้วยอา้าวยังไม่เลิกนะกอดกัน ก, นก่อนนะ ไม่ต้องดูคู่อื่นคู่เรานี่แหละนะคู่เรานี่แหละนะคู่เรานี่แหละนะเอาหนุ่มสองคนนั้นยังไม่เลิกนะอา้ายังไม่เลิกนะอย่าลืมพูดให้กันด้วยนะเอ า, ล, เอา ล, เล่ะออาวละเจริญถอนอ้าวนั่งลงได้นั่งลงได้ อาวแล้วเจริญขอนั่งลงได้เป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างเวลาเราแผ้เมตตาและเวลาเราได้ทำออกไปรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างไม่ยอมบอกอบอุ่นดีนะอาะ้าแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นจากความรู้สึกในใจขอให้ออกไปเป็นการกระทํำและการพูดอย่างนี้กับทุกๆคนเราอาจจะไม่จาเป็นต้องไปกอดเขาก็ได้เพียงแค่เรายิ้ม และบอกเขาด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วรอบข้างโยมมันจะเปลี่ยนไปนะรอบข้างโยมมันจะเปลี่ยนไปเลยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเมตตาจิตนั้นอยู่ในใจแสดงออกมาด้วยการกระทําพูดด้วยความรักปรารถนาดีแสดงออกด้วยความรักความปรารถนาดีนะแล้วเราเองเนี่แหละที่จะเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและสร้างสารรค์ความสามัคคีความรู้สึกดีให้กับทุกๆคน จริงๆมีเรื่องเล่าในเรื่องนี้ที่อาตมาให้ทดลองแต่ยังไม่เล่าเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้โยมกลับไปทดลองเป็นการบ้านนะการบ้านที่อาตมาจะให้ต่อจากคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วให้เป็นบันทึกความดีที่ทำในแต่ละวันใช่ไหมบอกเล่าให้กันฟังแล้วร่วมอนุโมทนาแล้วแผ่ความดีออกไปการบ้านในครั้งนี้ในหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ขอให้โยมทําอย่างนี้กับคนให้ได้อย่างน้อยที่สุดห้าคนในหนึ่งวันนะห้าคนไม่ยากหรอกนะอยู่ที่บ้านก็มีแนละใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่พี่น้องได้ลนะแต่ไม่เอาอย่างนี้มันมั น, มนง่ายเกินเอาคนในครอบครัวนับจะก่อจี่คนก็แล้วแต่จะนับแค่สามคนเท่านั้นแล้วต้องขอเปคนที่นอกครอบครัว เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ทำงานก็ได้นะทำอย่างที่อาตมาบอกอย่างนี้แหละนะหนึ่งยอมตั้งใจปรารถนาดีกับเขารู้สึกความสุขความดีงามเสร็จแล้วไปบอกก็เลยนะกอดแล้วก็ขอบคุณเขาหนึ่งขอบคุณเรานึกอะไรได้ที่ เ, าเขาทำให้เรานะขอให้บอกออกมาทั้งหมดเลยอย่างจริงใจสองพูดกับเขาด้วยความปรารถนาดีให้เขามีความสุขคุยพรานเขานะ่ะ ถ้าเราเขรู้ว่าเขากําลังทําอะไรอ้าวขอให้ทําสิ่งนี้สําเร็จนะตั้งใจทําความดีด้วยกันนะหรือขอบคุณในสิ่งเล็กน้อยก็ตั้งเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เขาทำให้กับเราก็แล้วแต่หนึ่งคือขอบคุณพูดออกมาอย่างใจจริงสองคือพูดอวยพรเขาให้เขาประสบความสําเร็จหรือว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเรารู้ก็อวยพรเขาพูดกับเขาด้วยความปรารถนานดีให้เขาประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นดึงเขาเข้ามาก่อนแล้วขอบคุณ แล้วก็อวยพรให้กับเขานะอย่า ก, กอดปุ๊บปั๊บหายไม่เอานะอย่างน้อยสักสองนาทีนะสักสองถึงสามนาทีนะอย่างที่ทํากันเมื่อกี้ที่อาตมาให้โยมทดลองเข้าใจนะต้องเป็นคนนอกครอบครัวนะบางทีน้องที่เราไปซื้อของที่ร้านค้าเป็นประจํานี่แหละนะนะอย่างน้องก็เป็นผู้หญิงโยมเป็นผู้หญิงอ้าวันนี้มาถึงเสร็จเลยถ้าเกิดว่าไม่กล้าก็บอกเลยพอดีพี่หรือพอดีนะพอดีอา โดนให้การบ้านมาจากพระอาจารย์มีข้ออ้างละนะไม่ต้องเขินนะขอทาการบ้านนิดหนึ่งก็แล้วกันนะอย่าถือสานะว่าแล้วดึงเข้ามากอดเลยขอบคุณนะที่อุตสาขายของให้นะขอบคุณนะที่ทอนเงินให้ถูกต้องทุกครั้งขอให้หนูมีความสุขนะให้มีความเจริญงอกงาม น, นะนะแล้วก็กอดเท้าไว้เลยนะแล้วก็ให้รู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจเราแผ่ออกมาให้กับเขาจริงๆเข้าใจนะ กออย่างที่ก่อนเมื่อกี้นี่แหละอย่างที่ให้ทดลองนี่แหละห้าคนนะแล้วช่วยบันทึกด้วยนะวันนี้กอดไปห้าคนรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงคนที่เรากอดมีปฏิกิริยายัางไงกับเราบ้างนะในหนึ่งอาทิตย์นี้นะเจ็ดวันเจ็ดวันกี่คนละเจ็ดห้าสามสิบห้านะสามสิบห้าคนไอ้ที่ว่าห้าคนนี้ซ้ํากันก็ได้นะแต่ว่าคนนอกครอบครัวขออย่าซ้ำแล้วกันนะเอซ้ํากันได้ แต่แต่ให้ซ้ํากันได้ไม่ซ้ํากันได้ซ้ํากันได้นะไม่มีปัญหานะซ้ํากันได้ไม่มีปัญหานะนานะจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นพี่ที่เรารู้จักก็ได้นะははคนในครอบครัวเนี่ยสามคนนะแม้ issimo, แว่ากอดเกินกว่านี้ก็นับแค่สามเท่านั้นนะโอเคนะอันนี้เป็นการบ้านให้ช่วยบันทึกมาด้วยนะเป็นการบ้านให้ช่วยบันทึกมาด้วยก็ถือเป็นความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถือเป็นความดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน เรานึกว่าจะขอบคุณอะไรเขาเขาเคยทําความดีอะไรให้กับเราเคยช่วยเราแม้ผิดสิ่งเล็กน้อยขอบคุณแล้วก็อวยพรเขาด้วยความรักความปรารถนาดีนะมันตอนเช้าขึ้นมาก่อนทําทุกครั้งโยมแผม่เมตตาอย่างที่เอตมาให้โยมทําทุกครั้งก่อนก่อนที่โยมจะทําอย่างนี้เพื่อให้เมตตาจิตเกิดขึ้นในใจเต็มที่แล้วทําออกไปแล้วพูดออกไปด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยความรู้สึกที่เมตตาอย่างนั้นจริงๆพวกนี้มันจะถ่ายทอดได้ทั้งในด้าความรู้สึกทางกายแล้วก็ทางเสียง เข้าใจนะรวมไปถึงจากใจ อ, ออกไปสู่ใจด้วยได้ไหมเอ่ยเป็นการบ้านนะมาที่นี่ต้องทําการบ้านแล้วไม่ได้ไม่ไหวไม่ได้ละนะผ่านมาตั้งหกเจ็ดปีนี่ปกติไม่ค่อยได้ให้การบ้านโยมเลยไม่ค่อยก้าวหน้า <c oughs> ต้องให้การบ้านละช่วยทําบันทึกมาด้วยนะช่วยทําบันทึกมาด้วยนะนะถ้าเกิดว่าใครพร้อมเอามาให้อัตมาอ่านหรือสัมนำมาให้อัตมาด้วยก็ดีนะมีเรื่องอะไรประทับใจเผื่อจะได้เป็น นิทานเป็นตัวอยา่างยกให้กับคนอื่นฟังอีกทีหนึง่งพราะนี้เป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงของโยมใช่ไหมใช่นะตกลงนะนะอ้าวเพราะฉะนั้นคนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าไงเอ่ยเนี่ย ถ้าแตะมือได้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงขอเป็นกอดดีกว่าบอกแล้วขอบอกเขาก่อนเลยพอดีว่าพระที่วัดนี้นให้การบ้านมาขอโอกาสนิดหนึ่งกันแล้วกันนะอ่าเปลี่ยนหมเปลี่ยนหม่เปลี่ยนหม่นะเปลี่ยนหม่นะต้องคล้ายๆกับต้องข้ามกำแพงความเคินหรือความไม่คุน้นเคยตรงนี้ออกไปให้ได้ อ๋อไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนหรอกกอดกันแล้วเย็นดีนะเย็น อ, อกเย็นใจเอาว่าไงเอ่ยอาโยมลองสังเกตนะมันเป็นอาการของมันอิ่มใจแล้วมันตื้นตันเร่งนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าปีติ ปิตินี้เกิดจากภาวะที่ดีงามเข้าใจนะมันไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วแก้งเขาแล้วมีความสุขใช่ไหมอ้าวก็ไหลไปอ่าอ่า ซึ้งนั่นแหละคือปีติอย่างหนึ่งเวลาเราทราบซึ้งในคุณงามความดีมากๆมันน้ําตามันจะไหลแล้วมันจะตื้นตันมันจะอิ่มใจขึ้นมาบางคนเป็นมากถึงกับแน่นหน้าอกก็มีนะอาการอย่างนั้นนั่นแหละคืออาการที่เราเรียกว่าปีตินะเรียกว่าปีติเข้าใจนะเกิดยิ่งมากยิ่งดีนะผู้มากด้วยปีติถ้ากับเป็นผู้หยุดใกลพ้พลันพานี่เป็นพู้ทพน์เลย จเจริญพรถูกต้องใช่เป็นอย่างนั้นน ะ, จะเจริญพรคราวนี้เวลาปิติมันมากน้ำหูน้ำตามันก็ไหลแบบนั้นแหละนะไม่ต้องไปกังวลกับมันนะไม่ต้องไปกังวลกับมันน ะ, จะเจริญพรเข้าใจนะ เอานะเพราะฉะนั้นฝากเป็นการบ้านนะวันนี้ถ้าเกิดกลัวไม่ครบก็เนี่ยแหละนะถ้แถวๆนี้แหลนะเจอหน้า ก, กันแล้วก็ดึงมาเลยนะก็ทกําการบ้านด้วยกันอยู่แล้วนะเอาสักห้าคนก่อนกลับแล้วก็กลับไปก็ไปนั่งเขียนได้ละนะเข้าใจนะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาโอกาสนะเขาโอกาสแล้วกันผู้ชายกับผู้หญิงเอาเพียงแค่จับมือแล้วก็พูดกับเขาด้วยความจริงใจแค่นั้นพอละนะแค่นั้นพอลนะ ผู้ชายกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงสังคมไทยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เวลาเพื่อนรักเราก็เจอกันบางทีก็กอดกอดกันใช่ไหมอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงถ้าไม่ใช่สามีภรรยาหรือว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่ลูกบางทีเขาจะเข้าใจผิดได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจเป็นเมตตาที่เราเรียกว่าความรักความประทานดีออกไปจริงจินะอา้าวไม่มีคําถามนะฝากเป็นการบ้านนะฝากเป็นการบ้านส่งอาทิตย์หน้านะ ส่งอาทิตย์หน้าจดลงในสมุดเลยเรามีสมุดสุวรรณแล้วนี่ใช่ไหมสมุดแผ่นทองใช่ไหมเป็นไงนได้เขียนลงหรือเปล่าไม่งั้นตายไปตายไปมันไปทวงกับยุงพยาบาลไม่ได้นะถ้าไม่ได้จดเอาไว้เนี่ยจดเอาไวเ้เยอะๆอ้าไม่เอาเอาความดีก่อนอความไม่ดีเอาไว้ก่อนนะตอนนี้เรากําลังเซ็กอยู่ในฝ่ายดีงาม เอาในสิ่งที่เป็นความดีงามอย่างเดียวก่อนนะสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวได้ทํำแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> นะยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ขอให้จดเรื่องราวที่ดีงามเอาไว้ก่อนนะอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยโยมจดเอาไว้จะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วบางทีเราไปคุยกับเพื่อนเห็นเพื่อนกาลังเศร้าโศกกาลังเศร้าหมองเนี่ยโยมเอาเรื่องราวเหล่าเนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังได้ก็จะช่วยจูงจิตเข้าขึ้นมาได้นั่นเป็นประโยชน์และโยมเองนั่นแหละ เอามานั่งอ่าน บ, าบา่อยๆทบทวน บ, บ่อยๆขณะนึกเนี่ยโยมจะรู้สึกถึงความรู้สึกตอนนั้นได้ใจมันก็ผ่องใสมันก็มีความอิ่มใจมีความสุขขึ้นมาจิตโยมเป็นกุศลได้ทุกครั้งเลยเมื่อนั้นไม่ใครที่ติดอ่านนิยงนิยายไม่ต้องอ่านแล้วเขียนเองเลย <c oughs> สิ่งที่เราทําในแต่ละวันนี่แหละความดีงามในแต่ละวันที่เราทํำนี่แหละเข้าใจนะอถ้าเข้าใจแล้ววันนี้มีการบ้านให้แล้วนะวันละห้าคนนะในครอบครัวสามนอกครอบครัวสองนะ จะเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ทํางานหรือว่าที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่เราซื้อของไปเป็นประจําก็ได้นะแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคราวหน้าอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังเพราะเรื่องนี้ เ, เคยมีคนทดลองแล้วที่ประเทศอเมริกานะแล้วก็มีเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันนะแล้วจะมาเล่าให้ฟังคราวหน้าก็แล้วกันนะาวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะอําดับต่อไปเชิญโยมแผ่เมตตาและไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน